Thank mm -hmm. you. ต่อไปนี้ก็ฟังธรรมพูดธรรมมาสู่กันฟังก็พูดเรื่องที่เราทำเวลานี่เราปฏิบัติธรรมเราจเจริญสติเรามาดูตัวเราเหมือนออกมาดูออกไปดูแล้วมันก็จะแสดงอะไรหลายอย่างให้เราเห็นสตินี่เหมือนดวงตาภายในก็จะเกิดการเห็นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับผิดหลายฉากหลายมุม เห็นอะไรก็ตามในช่วงใหม่ๆนี่เอามารู้สึกตัวแล้วก็ประกอบกรรมทำความเพียรเจริญสติเรือ่อยไปจะไปคล่องไปแวะกับอาการต่างๆกับพอมาอาหัวมารู้สึกตัวกำหนดการเคลื่อนไหวให้เป็นกรร ม, มฐานเอากรรมไปก่อนเอาการกระทำไปก่อนอย่าเพิ่งไปใช่เหตุใช่ผลอย่าเพิ่งไปสยบกับความสุขอย่าเพิ่งไปสยบกับความทุกข์ ความรู้อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาบ้างตอนนี้ไปเชียก่อนเมื่อกเราเดินทางเรารู้สึกตัวเรารู้ส so ึกตัวก็เหมือนเราเดินทางเข้าไปเข้าไปรู้ที่หน่งก็เ้าไปเข้าหน่งเ้าไปจากไหนเข้าไปจากความหลงมันก็ตรงกันข้ามตัวรู้สึกตัวเรามีตัวรู้สึกตัวมันก็คุมกำเนิดของความหลงไปในตัว แล้ววิธีที่เราทำก็มีการกระทาจริงๆทำไยเราจึงต้องเจริญสติแบบกายเคลื่อนไหวเพราะเราต้องการให้มันเป็นปัจจุบันชีวิตจริงๆต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือชีวิตจริงถ้าเราไม่มีที่ตั้งไม่มีการกระทามันก็เว่งไปข้างหน้ามันก็เว่งคืนข้างหลังมันมีสัญญาณ มันมีสัญญามันติดอะไรมาเราใช้ชีวิตของเราแบบไหมมาบ้างแต่เป็นรถก็รลดมือสองไม่จะล่องไม่จะลอยหลายอย่างาการมาลู่สึกตัวมาลู้สึกตัวเนี่ยเหมือนเหมือนเข้าอูให้มันดีให้มันลู่สึกตัวตัวลู้สึกตัวนี่แหละเป็นการทำให้ชีวิตปกติคืนสู่ความปกติคืนสู่ธรรมชาติ เราจึงทำอย่างนี้ไปก่อนเราตั้งใจสร้างความรู้บางทีเขาเกิดความหลง เ, เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอยู่นั่นแหละมันจะหลงกี่ครั้งกี่ห้นก็รู้มันเท่ากับที่มันหลงเรียก ว, ว่ารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่ให้มันทันกันแต่มันไม่หลงก็สร้างความรู้เรื่อยไปเวลาที่มันหลงไปทางไหนก็ ขอให้เป็นเป็นการเปลี่ยนความหลงเป็นความะะรู้หรือว่าปฏิบัติปฏิคือเปลี่ยนหรือว่าภาวนาคือเปลี่ยนเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกถ้าพูดแบบสำนวนโอหานแต่พูดตามหลักปฏิบัติก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวแล้วมันก็มีอะไรที่ให้เราเปลี่ยนอยู่ หลายอย่างบางทีก็เกิดความง่วงบางทีก็เกิดความปวดเมื่อยบางทีก็เกิดความคิดบางทีก็หลงไปทางตาทางหูบางทีก็หลงไปทางอารมณ์ต่างๆที่มันติดมันเคยมามันเคยไหลมาเหมือนน้ำที่มันเคยไหลชีวิตโราเหมือนน้าไหลจากที่สูงลงสูง่ที่ต่าเวลาเราจเจริญสติมอนกับกั้นมันกับขวางทาง แม่ขวามอยู่มันก็ยังหาทางออกรอดไปแล้วก็กั้นเอาไว้ผมรู้แต่ละขั้งเหมือนกระสอบทายโยนใส่คลอกใส่ห้วยที่มันลึกโยนลงไปลู่หรอโยนลงไปโยนลงไปโยนลงกระสอบถึงก็ไม่หนีไปไหนทำไมก็อยู่นั่นแหละแต่มันลึกมากว่ากก็หลายวันมันจึงจะพ่นน้าขึ้นมาด้วยมันพ่นขึ้นมาก็พอเห็นกวที่มันจะพ่นมันก็มีกําลังแล้วมันจึงพ่นขึ้นมาได้ ขณะที่เรารู้สึกตัวแสดงว่าเรามีกําลังแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเรารู้สึกตัวในแสดงว่าถ้าเป็นการขวางกันทางน้ากับพ้นน้าได้บ้างแล้วก็รู้สึกตัวอีกเหมืนก็ปิดไว้อีกโตตอบอีกปฏิบัติตัวปิดไว้ขันไว้เปลี่ยนไว้แล้วมันจะเก่งตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้นี่แหละมันจะเก่งตรงนี้ อะไรๆก็ตามขนาดที่เราปฏิบัติอยู่นะเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวนะ่ะมันจะเก่งตรงไหมตัวนี้ทําให้เรามีมรรคในผลทันทีแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกชีวิตเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนได้ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอจากใครเป็นการกระทําส่วนตัวส่วนตัวระเว่ากรรมคือการกระทําพระพุทธเจ้าสนับสนุนในการกระทํำนะ การเจริญสติเหมือนกับการให้ข้อมูลชีวิตที่ถูกต้องเราจะว่าแล้วแต่ก่อนนี่เราให้ข้อมูลชีวิตเราไม่ค่อยถูกต้องบางทีสิ่งแวดล้อมก็ให้ข้อมูลชีวิตเราไม่ถูกต้องมันก็เลยติดข้อมูลที่ไม่ค่อยดีเรียกว่านิสัยปัจจัยต่างๆเป็นนิสัยปัจจัยต่างๆเป็นเจริตนิสัยต่างๆบางชีวิตก็เป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริต บางชีวิตก็เป็นพุท ธ, ธจริตเพราะที่จะรู้รู้อิสระมันก็เป็นข้อมูลที่เราทํามาแต่นี้เรามาให้ข้อมูลให้รู้ให้รู้นะ่ะควารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นธรรมธรรมยม่อมชนะอธรรมเสมอถ้าเราสัมผัสตัวแล้วมันใช้ได้จริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเป็นตายไล่ดียังไงถ้ารู้สึกตัวมันก็ถ้าจะว่าเราก็จบลงแล้ว รู้สึกตัวก็จบแล้วถว่าถูกต้องแล้วถืว่าชอบแล้วเป็นธรรมที่สุดแล้วสัมผัสดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวหลงในไม่เป็นธรรมนอกจากความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราอันอื่นไม่เป็นธรรมเราสัมผัสดูหนึ่งวันสองวันนะพอมันหลงความเข้ากับค้ายทำใหม่ๆค่ายๆว่บเปลี่ยนความหลงเป็นความโลภทำไปทาไปมันไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นธรรมชาติไปเอง เข้าสู่ธรรมชาติมันเป็นไปเองพอมันหลงก็บรู้ทันทีมันมีโอกาสชั่วเนชั่นานเมนก็เราเรียนหนังสือแต่ก่อนเราเขียนกอไก่มันก็อยู่กระดานตาเราก็ดูมือเราก็ค่อยเขียนไปเดี๋ยวนี้กอไก่มันก็อยู่ในเราแล้วมันเป็นคอมพิวเตอร์มันเอาข้อมูลมันเก็บข้อมูลไว้ชีวิตเราก็เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ให้ความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัว มันก็เจ็บความรู้สึกตัวว่าอ๋อมูลดีๆมันก็แสดงออกมารู้สึกตัวแต่เวลาใดมันหลงจะทำยังไงยังไงมันก็ไม่ไปความหลงมันก็ต้องเกิดความรู้สึกตัวทันทีเป็นอัตโนมัติไม่ตัวเมื่อรู้สึกตัวไม่ลืมไม่หลงหลายวันหนึ่งวันเจ็ดวันน่ะนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ มันเกิด อ, อะไรขึ้นเราทำอย่างนี้มันเกนิดอย่างนี้ในธรรมะผู้ที่เห็นธรรมก็เห็นปฎิจจสมุปปบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเนื่องด้วยกันเราจึงได้ทั้งบทเรียนได้ทั้งประสบการณ์ความหลงกวเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ดีสําหรับที่เราจะมาเป็นการศึกษาได้ถลงุงได้เห็น ความรู้สึกตัวก็เป็นบทเรียนที่ดีบุตรเรียนต่างๆกันสัมผัสดูแล้วมันต่างกันให้มีใครไปอ้อคมหลงหลอถ้าเราสร้างความรู้ได้เก่งๆนะค่อยเป็นไปเองค่อยเป็นไปเองแล้วการที่จ ะ, จะเจริญสตินี่ก็เป้าหมายหรือว่าเบื้องหน้าก็เห็นกายมันก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว เห็นกายดังที่พูดในกว่างนวันก่อนเรต้องเห็นพอเราดูอยู่ตลอดเวลาเพื่อนไหวไปมามันก็ดูอยู่ทั้งตาเนื้อทั้งตาในเห็นไม่ใช่ไปเห็นนิมิติพอเราไม่ได้หลับตาการเจริญสติการภาวนาการภาวนาวิกรรมฐานภาวนาเนี่ยมันไม่เกิดนิมิตไม่เหมือนกับการหลับตาถ้าการหลับตาเนี่ยว่าจะเกิดนิมิติเป็นสีเป็นแสงต่างๆ อันนี้เราไม่หลับตามันเปิดตัวไม่มตต์เกิดขึ้นได้ยากเพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลากับในเมิต์แต่เห็นก็เห็นรูปเห็นนามไปเลยเห็นของจริงไปเลยเคยมีจะหมายหนึ่งนานมาแล้วยี่สิบกว่าปีเลยสอนทำอยู่ที่แหลมเสียงจังหวัดจันทบุรีก็มีอาจารย์เขาสอนแบบสมาราหังก็มาขอสอนสักสองชั่วโมงสามชั่วโมง แล้วก็ให้เขาสอนดูเขาก็สอนแบบวิชาธรรมกายเราก็จับลูกแก้วให้ดูในลูกแก้วจริงๆอ่ะเขาก็โชว์ลูกแก้วให้นักปฏิบัติประมาณเจ็ดสิบคนถามว่าเห็นลูกแก้วไหมเห็นลูกแก้วไหมทุกคนก็ตาไปดูก็เห็นเห็นจริงๆเป็นลูกแก้วดูให้ติดตานะดูให้ติดตานะทุกคนก็ดูลูกแก้ว เราเห็นแล้วเป็นลูกอย่างนั่นอย่างนี้ติดตาเอาพอดูติดตาแล้วหลับตาลงหลับตาลงเห็นไหมเห็นไหมเ้าก็เห็นถ้าคิดเห็นมาก็เห็นมโนภาพถ้าจะเห็นที่เป็นดวงตาหญิงมันก็ไม่เห็นเห็นแบบมโนภาพเออนั่นแหละให้มันเป็นความคิดเห็นดูไปคิดไปอ้าวผู้หญิงเข้าข้างซ้ายผู้ชายเข้าข้างขวหมายถึงเลื่อนลงมาจมูกเลื่อนลงมาเหมือนูกแก้วเลื่อนลงมาลงมาลงมามาหน้าอกมา สะดือย่อนสะดือลงไปอีกสองนิ้วแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอีกเหนือสะดือสองนิ้วจุดศูนย์กลางเอ๋มองเห็นลูกแก้วะแล้วบริกรรมว่ะสมารังสมารังอทุกคนก็ว่าว่าถ้าใครเห็นธรรมกายก็ยกมือขึ้นนะก็นั่งเงียบไม่ต้องพูดอะไรอาจารย์ก็พูดไปพูดไป จะดูสองแน่วปัมบริกรรมสมาหลังสมาหลังชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะไม่เห็นลูกแก้วสองชั่วโมงก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเขาก็ขออีกชั่วโมงหนึ่งเป็นสามชั่วโมงอ้บไม่มีใครเห็นลูกแก้วเห็นธรรมกายเขาก็บอกเอ๊ะมันเกิดอะไรไปสอนที่ไหนไหนชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็มีคนเห็นธรรมกายแล้วเลยหยุด หลวงพ่อเลยพูดต่อไปว่าเนี่ยพวกนี้เขาเจริญสติกันผู้ที่เจริญสติไม่ค่อยเห็นนิมิตรถ้าเห็นก็เป็นมโนภาพมโนภาพไม่ใช่ของจริงนิมิตไม่ใช่ของจริงถ้าเห็นก็เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเคลื่อนกายไหวตามธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นนิมิตที่เป็นมโนภาพวาดขึ้นมาตอนนั่งก็เป็นนิมิตอยู่แล้วนิมิตรทางตานิมิตรทางกายนิมิตทางจิตนิมิตทางรสทางลิ้นทางหู ไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะการเจริญสติแบบนี้มันเป็นตรงเข้าไปตรงเข้าไปต่อกายเรียกว่ากายยานุปัสนาตรงเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็เอากายมาสร้างสติจริงๆเอากายมาสร้างก็เป็นจิตทันทีเลยเห็นกายดูกิตเห็นคิดเห็นธทำมันอยู่ด้วยกันรูปสี่ตัวก็เป็นจิตแล้วรูกสึกตัวก็เป็นกายแล้วจับอย่างเดียวรูปอย่างเดียวมาเป็นพวงๆทั้งกายทาั้งิต ทั้งเวทนาทั้งอะไรต่างๆมาหมดเข้าแถวกันเหมือนกับตลาดนัดสินค้าไปจุดเดียวที่เดียวไม่ีอะไรหมดมันก็รู้เรื่องเครื่องกายอย่างเดียวรู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ตวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวอย่างเดียวมันก็เหมือนกับแก้ไปทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดมันก็เห็นไปเถานองนี่แต่มันจะเกิดความโม่งขึ้นมาอย่างรุนแรง บางทีทําใหม่ใหม่มันอาจจะง่ายที่จะง่วงอาจจะง่ายที่จะหลงอาจง่ายที่จะคิดไม่เป็นไรขอให้เรามีความเพียรแล้วมีศรัทธาเสริมเข้าไปมีความเพียรมีสติแล้วก็ปรับแผนต่างๆแต่มันง่วงบริบทนั่งก็ลุกขึ้นเดินจงกรมหรือบางทีนั่งสร้างจังหวะให้ไวโกว ก, กเก่าแรงโกรกเก่าปรับใหม่วางวางอริบทไว้นั่งนิ่ง ยืดตัวขึ้นวางใบหน้าวางใจแต่จะมองทางตาก็มองยอดใบหมองท้องผ้าทำความรู้สึกตัวมันไม่ใช่กลางคืนมันเป็นกลางวันทำความรู้สึกตัวทำในใจว่ากลางคือวันไม่ใช่เวลานอนกลางคืนจึงเป็นเวลานอนล้วก็กลับงอสร้างจังหวะให้มันเริ่มต้นใหม่ ใอ้ทบทต่างๆบางทีมันเก่าถ้าเริ่มต้นเป็นนานๆมันก็พลาได้เราจึงมีแผนปรับใหม่ให้มันตั้งต้นใหม่เสมอถ้ามันไม่หายไม่หายง่วงก็ลูกขึ้นเดินจงกรมเอาความรู้สึกไปกาหนดที่ก้าที่ขาให้รูกเป็นครั่งมันกับการสร้างจังหวะความรู้สึกตัวที่สร้างจังหวะโดยมือ กับความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวของเท่าในการเดินอันเดียวกันไม่เสียหายเดี๋ยวความรู้สึกตัวที่มันไปเห็นการเคลื่อนไหวของกิตที่มันคิดก็คือความรู้สึกตัวอันเดียวกันความรู้สึกตัวที่ไปเห็นการแสดงทางกายทางกิตมันก็คือความรู้สึกตัวอันเดียวกันบางอย่างไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมาให้เรารู้ไม่เสียหายมันหลงก็รู้เนี่ยไม่เสียหายมันสงบก็รู้มันมันไม่สงบก็รู้มันเนี่ย มันรู้ก็รู้มันมันไม่รู้ก็รู้มันนะตัวรู้เนี่ยขี่คอหรือถ้ามันโกรธก็รู้สึกตัวนะเรียกว่าขี่คอความโกรธตัวรู้สึกตัวนรว่าขี่คอความโกรธความโกรธไปไม่ถึงไหนถ้าใด้รู้สึกตัวอยู่บนคอกันแล้วไปไม่ขี่เข้าเพราะมันไม่จริงอะไรก็ตามให้ไม่ความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวนะทาตรงนี้กันพวกเรา เรียกว่านักภาวนานักกรรมฐานเอาการกระทําบกเบิกเอาความเพียรเอาสติเอาศรัทธาบางทีก็เอาศีลสํารวมมันก็สํารวมไปเองเราเจริญสติตามันก็สํารวมเองแม้เราลืนตาก็ไม่ได้ใช่เลยเวลามีสตินะแต่ใช้ในเวลาที่มันจําเป็นต้องใช้ แห้เรานั่งอยู่งูเลื่อยมาก็ต้องรู้ต้องเห็นแน่นอนเราเมตตาเราไม่ได้หลับตาแต่ก่อนที่นี่ก็ไม่เก้งไม่กวงบาง ท, งทีเรานั่งอยู่เก้งควมก็มาหมูก็มางูก็มาเรานั่งสร้างจัหวะอยู่เรื่งเม่งไหมบางทีเขาก็สนใจนะสัตว์ป่าเขาก็สนใจดีนกยังสนใจเรานั่งอยู่ในป่า สนใจก็มาดูเราควางก็มาดูเราโหป่าก็มาดูเราดูท่าทางก็บลอกก็มาดูเราก็บลอกเนี่ดูนานกว่าพวกเก้งพวกขกวางมางอยคอนไม่ดูเห็นเราไม่ก็ดูกระเดกเออกระเดกก็เคลื่อนไหวหายจู ห, า, หาจินแล้วก็สังเกตว่าเอออันนี้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยนะบางทีมันก็รู้จากเราด้วยบางทีพวกเก้งพว ก, กวางนะี่ เก็ชอบนิสัยเราเหมือนกันเขาก็ไม่ชอบนิสัยของอีกบางคนเหมือนกันคลางคืนเวลาเดินกับกติการฉายไฟเนี่ต้องให้กวางให้แจ้งมันชอบนิสัยมันจะไม่เห่าถ้าเราฉายไฟไม่เป็นมันจะเห่ามันด่าเราค้ายๆไปอย่างนั้นนะเราต้องรู้จับพั้นการเจริญสติเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดความชอบหลายอย่าง ตาก็สัมรวมเองหูก็สัมรวมเองจิตใจก็สัมรวมไปเองจมูกเลี้ยงก็สัมรวมไปเองมันก็สัมรวมไปเองมีศีล ไ, ไ, ไม่รู้สึกตัวมีสมาธิไม่รู้สึกตัวมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้กาเจริญสติเนี่ยมันครบวงจรไปเลยทั้งรักษาศีลทั้งเล่าความชั่วทั้งทําความดีทั้งทําผิดให้บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติทําไม่ใช่ จับโ้นจับนี่หรือเขาพูดว่าการภาวนาเหมือนกับจับปูใส่กระดงุงมันไม่ใช่หรอกภาวนามันง่ายเปลี่ยนแต่ลู่เสืกตัวลู่เสืกตัวอย่างเดียวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นขนาดที่เราเริ่มต้นใหม่ๆแม้มันง่ายที่จะหลงก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันดีบางคนไม่อยากให้มันคิดไม่ใช่ให้มันคิดลงไปตัวคิดนี่แหละจะทําให้เรามีประสบการณ์มีปัญญามันต้องเห็นขวบคิดแล้วมันก็ต้องคิดด้วย มันแสดงให้เราเราจะเห็นมันโดยคิดเนี่ยนะมันดีมันมีประโยชน์เราก็ได้ส้อความรู้สึกตัวกับความคิดเหมือนกับคู่ชกเหมือนกับนักกีฬาลงสนามเล่นคนเดียวไม่สนุกมันไม่เป็นนักกีฬาการเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นความรู้สึกตัวมันได้เปลี่ยนหลายๆอย่างมันคิดขึ้นมาก็รู้สึกตัวอย่าไปห้ามคิดไม่ผิด ว่าแต่รู้สึกตัวไม่มีอะไรผิดเลยขณะที่เราปฏิบัติทำแนละ้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนว่าเราชานาญในการนี้แล้วมันก็เป็นชีวิตของเราในตัวไปเลยชีวิตของเรามันต้องมีการเคลื่อนไหวมันก็อยู่กับเรากายก็อยู่กับเราจิตใจก็รู้กับเราความคิดก็อยู่กับเราความรู้ก็อยู่กับเราความหลงก็อยู่กับเรามันก็ไปด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนมันทุกที่ทุกทางไปมันจึงไม่ปฏิเสธอะไร เป็นการเจอหน้ากันกับทุกอย่างความรู้สึกตัวนะจนบอกตัวเองว่ารู้แล้วรู้แล้วเห็นความหลงก็ไม่ไปท้องถาวมาคือความหลงททแท้แท้เห็นความทุกข์ก็ไม่ต้องไปถามใครเห็นความโกรธเห็นจิตเลตันหาลาคะไม่ต้องไปถามใครสัมผัสดูแล้วมันไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมว่าตัวรู้สึกตัวก้าวหน้าไปเรื่อยๆอ่ะทีปฏิบัต ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไเลยไม่ใช่ไม่รู้เลยเลยไม่ใช่มันรู้อยู่บางคนมาปฏิบัติมาประเมินตัวเองแล้วก็เคยอย่างคนโน้น่ะว่าตัวเองปฏิบัติแล้วไม่รู้อะไเสียเวลาเอ้าไม่รู้อะไรแล้วรู้อยู่แล้วจังว่าไม่รู้อะไรรู้สึกตัวรู้สึบตัวเลยว่าไม่ใช่มันรู้อยู่แล้วมันหลงก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นความรู้อยู่แล้วมันเป็นปัจจิตังมัน เป็นมรรคเป็นผลขณะที่ยกมือรู้สึกตัวเลยกำกาลังยกอยู่เนี่ยมันก็เป็นกรรมเป็นมรรคลู้สิบตัวมันก็เป็นผลแล้วอะไรก็ตามมันเป็นมรรคเป็นผลแต่มรรคผลน้อยน้สร้างความรู้ได้สำเร็จชีวิตของเราเปลี่ยนครบหลงเป็นความรู้ได้สำเร็จทุกคนไม่ยกเว้นนี่คือพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่คนอื่นทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกคน คำสอนของพระพุทธเจ้ามีผู้ลู่ตามจนได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธโทสอนคนดุนลู่ตามได้เราก็จะลักพระพุทธเจ้าโอ้สัมผัสกับผู้ลู่สึกตัโอ้ขุท t ะคือตัวลู่ตัวตืวต่นเนาะลู่สึกตัวลู่สึกตัวลู่สึกตัวเดื่มดำไปกับผู้ลู่สึกตัวนะหนึ่งวันสองวันสามวันนี้ให้ทําไปอย่างไรแล้วมันก็มีสูตรหวานที่ดลองพ่อพูดให้ฟัง มันทางมันบอกไปเองทางมันก็บอกว่านี่คือทางเหมือนคดต่อปอดเดินทางเขาก็สัมผัสกับทางเขาก็รู้ไปเองเขาก็ชำนาญไปเองการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันเป็นทางเราได้รู้สึกตัวล่องลอยแห่งความรู้สึกตัวอยู่ในกายล่องลอยความรู้สึกตัวอยู่ในจิตมันไม่ลอยมันมีล่องไม่ ล, ม ล, มลอยอยู่ไม่ลบไม่เลือนเลย ปฏิเสธตัวนี้ไม่ได้ชีวิตเราถ้าเรามีรอยความหลงความหลงก็จะเป็นรอยอยู่ในชีวิตเราตลอดจนตายแต่เราลู้สตัวขอรลู้สตัวจะไม่รอยอยู่นะกับชีวิตของเราเพราะเขาเป็นทางพบทางเป็นผู้ไม่จนในทางออกมันหลงก็ลู้มันโกรธก็ลู้มันสุข ก, ก็ลู้มันทุกข์ก็ลู้เราพบทางหลุดได้ทุกสถานการณ์ชีวิตมาสถานแม่นยำชัดเจน มั่นใจทำอะไรมั่นใจตัวเองจะประกอบการงานอาชีพก็มั่นใจมั่นใจในการกระทาเพราะไม่พลาดชีวิตไม่พลาดครึ่งลู่ครึ่งหลงมันเหมาะแก่การแจ้งานเหมาะแก่ความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นผู้นำความเป็นครูความเป็นลูกศิษย์เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นได้เป็นผู้น้อยก็เป็นได้ไม่เสียหาย ในวิธีที่เราปฏิบัติเราฝึกเอาไว้อย่าเพิ่งประเมินโอ้มาอยู่แล้วห้าวันหวันเจวันไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นตัวลูกตัวนี้มันก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆบางคนไปเลี้ยงหมูอาจจะนอกรูปแบบอาจจะไม่อยู่ในรูปของการนั่งสร้างจังหรือโดนจงกรมการบรรลุธรรมเลยอาจจะนอกรูปแบบก็ได้บางคนไปเก็บไยในไร่บางคนไปเลี้ยงหมูบางคนอาบน้ํายังมีคนจดหมายมาหาหลวงพ่อ อาบน้ําอยู่เขาเกิดคิตเปลี่ยนแปลงไปอที่เขาถูสบู่ลูบสึกตัวมาคิดขึ้นมาปั๊บไปจอะเอกกับความคิดขณะที่อาบน้ําเขาก็เห็นความคิดทะเจียนจนล่องโอ้ โ, โ, อโเหเขียนจนหมายมาหาหลวงพอ่อบางคนก็ไปเข้าใจไปเห็นไปพบเห็นสิ่งที่จังจังจับได้คาหนังขาเขาจับได้ไล่ทัน ความจริงเป็นความจริงความไม่จริงก็เป็นความไม่จริงเหมือนพิภากษาตุราการเอาความเป็นธรรมเอาความยุติธรรมออกมาให้ได้จำนวนต่อหลักฐานความหลงก็จำนวนเหมือนกันสังเขาะที่มันเจริญในทางความรู้สึกตัวความหลงก็จำนวนโดยปริยายนี่คือการปฏิบัติธรรมที่เรากําลังทําอยู่มันเป็นสูตรไม่ต้องไปใช่สมองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผล ว่าจะราไม่การกระทํำไปใจดีๆทําไปสบายๆอย่าไปอยากลู่อยากเห็นอย่าเป็นรีดแรงงานตัวเองอมยิ้มไว้อมยิ้มในใจไว้แต่ว่าไม่เป็นไรลูกก็ไม่เป็นเลยไม่ลูกก็ไม่เป็นเลยไม่ได้มีอะไรเราทําซื้อๆมีความลู่สึบตัวเห็นความลูกก็เหมือนเก่าเห็นความหลงก็เหมือนเก่าความหลงก็เหมือนเก่ามันลูกก็เหมือนเก่า ตัวลู่จริงเก่งมันจะเป็นปกติแต่ว่าลู่โอ้ดีใจอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีแต่มาหลงโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ใช่นะความรู่สึกตัวไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นตวามลู่สึกตัวก็เห็นแล้วว่าเห็นแล้วถ้าจะเป็นคำพูดอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความลู่ก็ไม่เป็นไรรู้แล้วนะอาจจะยิ้มด้วยเห็นความทุกขนะ์หน่อยแต่ก่อนหน้าบุญห น, น่ะเบิ่งพอมีความรู่สึกตัวจริงเห็นความทุกข์หนะมากแ่ยิ้มน้อยๆนะ ยิ่งน้อยๆหัวเลาะความทุกข์หัวเราะความคิดตัวเองเป็นอย่งนั้นจริงๆความรู้สึกตัวไม่ใช่มาหน้าบูดหน้าเฟืองให้ใครเห็นหัวเลาะความทุกข์หัวเลาะความคิดถ้าจะ ด, าด่าแด้งไงบ้าเอ้ยเขาว่าเท่านี้ก็ทุกข์เราหรือเนี่ยเขว่าใช่นี้ก็โกรธล้วหรือเนี่ ย, ยจะเป็นพ่อคนแม่คนได้ยังไงจะเป็นครูอาจารย์เขาได้ยังไงจะเป็นคนที่ช่วยคนอื่นได้ยังไงแค่นี้ก็โกรธเลยเนี่ยโอ้บ้าเอ้ย พ้ว่าตัวเองวแบบ่าตัวเองแล้วมันสนุกดีมันเห็นมันมีชั้นเชิงไม่ใช่จะล่มละลายไปทั้งหมดการปฏิบัติธรรมมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันมองมันเห็นมันมีชัยยะภูมิที่มองเห็นได้ชัดถ้าเห็นแล้วก็หลุดพ้นอไรหัวเอาะข่มโกรธก็พ้นข่มโกรธหัวเราขคขมโทก็พ่นเจ้าข่มโทหัวเราคขมหขงลงก็พ้นเจ้าวามหลง เพราะมันเห็นมีแต่การเห็นในธรรมะคาสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้แต่เป็นรู้รู้เห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นรู้เห็นเห็นกับหูกับตาทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นความไม่เที่ยงรู้แล้วว่ามันความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์รู้แล้วว่ามันเป็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วว่ามันเป็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นเวลามันไม่เที่ยงก็มีจริงๆก็รู้แล้วในตอนนั้นจริงๆ ไม่ต้องมีคำถามลาบลื่นแล้วเอาน้องพ่พูดพระเช่านะขาถาพะระอรหันต์มันราบลื่นจรงจรินะชีวิตราบลื่นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระอริยพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นความเป็นทุกข์ก็เป็นทางแห่งพระในพานนันเป็นธรรมหมดจดเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทางแห่งพระในพานนั่นเป็นธรรมหมดจดลาบลื่นเรียบเรียบชีวิตไม่มี ขึ้นชีวิตเดินอยู่บนทางเรียบเรียบสติมันเป็นอย่างนั้นเคยเปรียบเทียบให้ฟังมากหมายว่าสติเหมือนใบมีดของรถแทรกเตอร์ใบมีดมันผ่านไปตรงไหนที่เรางดเรียบไปสติเหมือนไม้ขวดไม้ขวดผ่านไปตรงไหนที่เราก็สะอาดหน้านั่งหน้านอนก่อนพูดก่อนทาก่อนคิดมันมีสติมันรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ ให้เราฝึกเอาไว้ให้เราฝึกเอาไว้ถ้ามันไม่มากจนเป็นมหาลูนะนะนั่นละมันจะเกิดอะไรตอนนั้นไม่ต้องไปพูดพูดไปได้มันเป็นปัจจจตังค์แล้วแต่การกระทาของเราของเราเอาวันนี้ก็สมควรแจเวญละ